สำหรับพิธีกรรมเลี้ยงดงของชาวเชียงใหม่นั้นจัดขึ้นติดต่อกันมากว่า100ปีแล้วนะคะโดยตำนานปู่แสแล้วก็ย่าแสในอดีตมีเรื่องหนึ่งที่ชื่อว่าบุพพนครเป็นเมืองชนเผ่าลัวซึ่งตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำปิงแล้วก็ดอยอ้อยช้าง ชาวบ้านแห่งนี้อยู่กันแบบไม่เป็นสุขขาดเพราะว่าถูกยักษ์สาตนไม่ว่าจะเป็นยักษ์พ่อแม่ลูกจับเอาชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยไปกินทุกวันจนชาวเมืองต้องหนีออกจากเมืองเนื่องจากว่ากลัวยักษ์ต่อมาพระพุทธเจ้าได้รับรู้ความเดือดร้อนของชาวเมืองลัว้วจึงได้เสด็จมาโปรดแล้วก็แสดงอภินิหารแสดงทําให้ยักษ์สามตนนั้นได้เห็นจนยักษ์สามตนนั้นเกิดความเลื่อมใสแล้วก็ให้ยักษ์ทั้ง3มตนมาสมทานศีห์ห้าสีไปต่อมายักษ์ทั้ง3ตนนะคะนึกได้ ใช่ค่ว่าพวกตัวเองเนี่ยเป็นยักษ์ต้องประทังชีวิตด้วยการกินเนื้อจึงได้ขอพรพระพุทธเจ้ากินควายปีละหนึ่งตัวพระพุทธเจ้าไม่ตอบนะคะยักษ์ทั้งสตนจึงได้ไปขอกับเจ้าเมืองลัว้วซึ่งทางเจ้าเมืองล้วก็ได้นําควายมาถวายให้ปีละหนึ่งตัวและยักษ์ก็ดูจะดูแลชาวบ้านชาวเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขสืบไ ป, ปค่ะซึ่งยักษ์ตัวพ่อจะชื่อว่าปู่แสยักษ์ตัวแม่ก็จะชื่อว่าย่าแส หลังสิ้นสมัยปู่แสะยาแสะแล้วชาวบ้านชาวเมืองก็ยังคงเกรงกลัวอิทธิฤทธิ์อยู่และหวังให้ปู่แสะยาแสะช่วยรักษาพระพุทธศาสนาพร้อมช่วยกันดูแลชาวบ้านชาวเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขจึงได้มีพิธีเส้นดวงวิญญาณที่เรียกกันว่าเลี้ยงดงจนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะและยังมีตำนานกล่าวไว้นะคะว่าเป็นตำนานที่ปฏิบัติ ด, ด้วยแรงศรัทธาและความเชื่อพิธีบวงสรวงปู่แสะยาแสะหรือประเพณีเลี้ยงดงการกินเลือดกินเนื้อควายสดๆของ ร่างทรงปู่แสเป็นพิธีที่ชาวตำบลแม่เฮียอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ได้สืบทอดกันมาหลายร้อยปีโดยพิธีบวงสวงปู่แสย่าแสหรือประเพณีเลี้ยงดงนั้นจะจัดขึ้นในวันขึ้น14ข้า่เดือนเจ็ของทุกปีค่ะโดยพิธีกรรมเริ่มขึ้นที่ศาลปู่แสและย่าแสที่เชิงเขา ว, วัดดอยคาเพื่ออัญเชิญพระบด หรือภาพเขียนของพระพุทธเจ้าและดวงวิญญาณปู่แสะย่าแสะผ่านร่างทรงที่เรียกว่าม้าขี่ไปยังสถานที่จัดพิธีเลี้ยงดงอยู่ที่บริเวณป่าเชิงเขาทางทิศตะวันออกของวัดพระาธาตุดอยคำ สำหรับเรื่องราวของปู่แสะยาแสะนั้นนะคะก็มีเล่าสืบต่อกันมาว่าปู่แสะและย่าแสะก็คือยักษ์สองตนที่อยู่ในตำนานเป็นยักษ์ที่มีนิสัยดุร้ายชอบกินเนื้อคนและสัตว์เป็นอาหารเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จโปรโด ส, สัตว์ก็ทราบความเข้าจึงห้ามยักษ์สองตนไม่ให้กินคนยักษ์ก็เลยต่อรองว่าขอกินสัตว์หูยาวแทนและเมื่อละเว้นการฆ่าคนได้ พระพุทธเจ้าจึงให้ยักษ์2ตนเป็นผู้ดูแลรักษาดอยคําและดอยสุเทพให้ผู้คนที่อยู่อาศัยอยู่บนดอยนั้นอย่างเป็นสุขนะคะต่อมาในสมัยของพระเมกุติเจ้าเมืองเชียงใหม่ ชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนทุกเข็นเป็นอย่างมากจึงเชื่อกันเ่าว่าเป็นเพราะเจ้าเมืองไม่มีการทำพิธีเส้นไหว้ปู่แสยาแสจนกระทั่งในสมัยของเจ้าแก้วนวราชผู้ครองเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้ายในราวปีพุทธศักราช2452ถึง2482ค่ะก็ได้มีการฟื้นฟูประเพณีเลี้ยงดงหรือพิธีบวงสรวงปู่แสยาแสขึ้นอีกครั้งทาให้บ้านเมืองมีความเจริญและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงป สำหรับพิธีดังกล่าวจะใช้เครื่องเส้นไหว้ก็คือควายรุ่นเขาเพียงหูกีบเท้าสีน้ำผึ้งกล่าวคือยังไม่เคยลงไถ่คราดดินมาก่อนเพื่อที่จะเอามาชำละเอาเครื่องในออกแล้วก็นำตัวมานอนแผ่ไว้ในคอก โดยพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ก็จะเริ่มขึ้นเมื่อดึงภาพพระบดหรือภาพวาดของพระพุทธเจ้าที่มีอายุกว่าร้อยปีขึ้นสู่ต้นไม้แล้วก็แกวงไปมาค่ะทั้งนี้จากตำนานก็ได้เล่าไว้นะคะว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้กับยักษ์ปู่แสยาแสยว่าตราบใดที่เราตถาคตยังเคลื่อนไหวอยู่ห้ามยักษ์นั้นกินเนื้อมนุษย์และทำร้ายมนุษย์ จากนั้นเมื่อปู่แสะลงร่างทรงร่างทรงปู่แสะก็จะลงมากินเนื้อควาย ส, สดๆแล้วก็ดื่มเลือดควายอย่างรอร่อยอร่อยพร้อมกับเดินไปรอบๆเนื้อตัวเปื่อเปือนไปด้วยคราบเลือดและเศษเนื้อควายนอกจากนั้นนะคะยังพูดคุยเสียงดังด้วยภาษาพื้นเมืองซึ่งใจความนะคะก็บอกว่ามนุษย์พวกนั้นที่มันอยู่ที่นี่แล้วเอาที่ไปขายกินมันจงพินาศชิหายกูจะไปกินมัน นอกจากนั้นค่ะร่างของปู่แสยังสั่งสอนเตือนสติชาวบ้านให้ประกอบแต่กรรมดีและรู้จักรักแล้วก็หวงแหนผืนป่าค่ะ น, นายธนวัตรยอดใจในายกอบตอแม่เฮียอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะผู้จัดงานก็เล่าถึงวัตถุประสงค์ของพิธีบวงสวงย่าแสและปู่แสไว้นะคะว่าตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้ก็อายุ41ปีก็ได้เห็นพิธีกรรมดังกล่าวมาโดยตลอด พิธีกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชาวบ้านไม่แตกต่างจากพิธีกรรมอื่นๆแต่ที่ดูแปลกและเป็นที่พูดถึงกันมากคงเป็นเรื่องของเครื่องเส้นไหว้ที่เป็นเนื้อควายสดเลือดควายสดอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อถามถึงหัวใจของพิธีก็เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมพิธีกรรมทุกคนประกอบแต่กรรมดีและรู้สำนึกรักป่าและรักผืนดินที่ตัวเองอาศัย สำหรับขั้นตอนพิธีกรรมนะคะก็จะเริ่มจากการเตรียมจัดหาร่างทรงแล้วก็กระบือสีดำหรือว่าควายนะคะก็จัดซื้อข้าวของสำหรับใช้ในการประกอบพิธีกรรมในประเพณีเลี้ยงดงโดยมีเครื่องสักการะก็ได้แก่หม้อดินเผาสีใบสุรากล้วยสีหวี มะพร้าวสองคู่เสื้อผ้าหมากพลูนะคะก็จะมีข้าวตอกดอกไม้ซึ่งประเพณีเลี้ยงดงนี้เป็นประเพณีที่ชาวบ้านต้องค่าควายเพื่อถวายให้ผียักษ์สองตนก็คือปู่แสะและย่าแสเพราะเชื่อกันค่ะว่าเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองชาวบ้านให้อยู่ดีกินดีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล หากว่าปีไหนไม่ฆ่าควายเส้นผีก็เชื่อนะคะว่าจะทําให้เกิดโรคระบาดและเกิดทุกข์ภัยขึ้นได้จากนั้นขั้นตอนของพิธีกรรมจะเริ่มจากการนําควายดําตัวผู้ที่มีลักษณะของเขายาวเท่าหูแล้วก็จะถูกพามาเชื่อที่บริเวณลานโลง่งซึ่งชาวบ้านเรียกว่าดงค่ะจากนั้นก็จะมีการแห่พระบทพระบทก็คือผ้าซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจ้าปางห้ามญาติอายุเก่าแก่ประมาณ100ปีเข้ามาที่ดงเพื่อเป็นตัวแทนของพระผู้ พุทเจ้าจากนั้นก็จะมีผู้เฒ่าผู้แก่นะคะได้อัญเชิญวิญญาณผีปู่แส่ย่าแส่แล้วก็เหล่าบรรดาลูกๆอีก32ตนมาเข้าร่างทรงซึ่งไม่เปิดเผยชื่อก็จะสลับพร้อมกันกับเสียงพระสวดโดยเริ่มจากผีปู่แส่ก่อนเมื่อเข้าร่างทรงก็จะเข้ามากัดกินเนื้อควายดิบแล้วก็ของเส้นอื่นๆ น, นั่นเองค่ะเรื่องราวที่บีเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่เป็นพิธีการเลี้ยงดงหรือว่าเลี้ยงปู่แส่ย่าแส่นะคะเป็นพิธีกรรมที่ชาวเชียง ่ก็มีความเชื่อความศรัทธาแบบนี้มานานกว่า1้อยปีแล้วเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ควรที่จะใช้วิจารณญาณแล้วก็ความเชื่อส่วนบุคคลในการรับฟังนะคะซึ่งประเพณีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ชาวบ้านทั่วไปนะะี่ยะยึดถือและปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปีนั่นเองนะคะ เรายังคงอยู่ทางภาคเหนือนะคะยังคงพูดถึงเรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีและก็ความเชื่อโดยเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องราวของการเลี้ยงดงกันไปแล้วเราจะมาต่อกันที่พิธีเสียผีหรือผิดผีของชาวล้านนาค่ะเสียผีหรือผิดผีหรือใส่ผีคือพิธีกรรมอย่างหนึ่งของชาวล้านนา ซึ่งจะถูกจัดทำขึ้นนะคะหลังจากที่มีการเกิดการผิดผีในครัวเรือนเพราะว่าในเรือนนั้นจะมีผีเรือนหรือว่าผีบรรพบุรุษคอยดูแลลูกหลานอยู่นั่นเองค่ะการเสียผีหรือว่าผิดผีในกรณีนี้หมายถึงการที่สาวถูกชายหนุ่มที่ยังไม่คิดว่าจะอยู่กินด้วย จับมือถือแขนถูกเนื้อต้องตัวทั้งในที่ลับและที่แจ้งโดยเจตนาหรือเมื่อฝ่ายชายขยับเข้าใกล้หญิงสาวสาวจะขยับตัวหนีจนถึงธรณีประตูเรือนนอนในที่สุดจะข้ามไปอยู่ด้านในผู้ชายก็จะไม่กล้าล่วงล้ำเข้าไปแต่ว่าถ้าชายใดข้ามล่วงล้ำธรณีประตูเข้าไปถือว่าผิดผีค่ะ สาวจะต้องบอกแก่พ่อแม่ของตนเองภายในสามวันแต่ถ้าปิดบังผีจะโกรธและดนบันดาลให้สัตว์เลี้ยงและพืชพันธุ์ที่มีอยู่ในครอบครัวนี้มีอันเป็นไปหากคนในครอบครัวมีการเจ็บป่วยหญิงสาวก็จะถูกสมาชิกในครัวเรือนตำหนิติเตียนว่าไม่เคร่งครัดต่อประเพณีนะคะ เมื่อพ่อแม่ของหญิงสาวรู้ค่ะว่ามีการผิดผีเกิดขึ้นจะต้องเจรจากับผู้ชายคนนั้นทั้งโดยความยินยอมและไม่ยินยอมของผู้หญิงก็ตามเนื่องจากถือว่ามีการผิดผีขึ้นแล้ว พ่อแม่ฝ่ายหญิงก็จะแจ้งให้พ่อแม่ของฝ่ายชายรับรู้และฝ่ายชายก็จะต้องไปทำพิธีเสียผีหรือเลี้ยงผีบันพับรุษตามประเพณีทุกกรณีนะคะเมื่อเลี้ยงผีแล้วถ้าหญิงไม่ชอบชายฝ่ายพ่อแม่ของผู้หญิงสาวจะไม่จัดพิธีแต่งงานและไม่ยอมพูดคุยกับผู้ชายคนนั้นอีกเลยนะคะในกรณีที่ชายไปทาให้ผิดผีขึ้น และฝ่ายหญิงก็ตกลงปลงใจที่จะได้ชายคนนั้นมาเป็นคู่ครองฝ่ายหญิงก็จะบอกให้พ่อแม่ของตัวเองไปสัญญาคือบอกกล่าวแก่ผู้ใหญ่ฝ่ายชายค่าว่าผู้ชายคนนี้ผิดผีสาวแล้วให้ไปเสียผีตามประเพณีแล้วก็จะได้จัดการแต่งงานกันต่อไปซึ่งการเสียผีกรณีนี้เรียกว่าใสาเอาค่ะส่วนการเสียผีอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าใสาบ่อเอาก็คือการผิดผีแล้วไม่เลือกอยู่กินด้วยกัน อาจจะเป็นเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยสืบรู้นะคะว่าผู้ชายมีความประพฤติไม่ดีเช่นว่าเป็นคนชอบดื่มเหล้าเล่นการพ น, นพันเพราะแม่ฝ่ายสาวจะไม่อนุญาตให้ลูกสาวแต่งงานด้วยฝ่ายชายนะคะก็จะต้องเสียผีการเสียผีแบบนี้ต้องเสียเงินมากกว่าการใส่เอานะคะแล้วฝ่ายหญิงก็จะต้องคืนเงินค่าผีให้ฝ่ายชายไปเรียกการคืนเงินค่าผีว่าผีขืนค่ะแล้วถ้าฝ่ายหญิงจะจัดการเลี้ยงผีเรือนเองเมื่อมีกรณีนี้เกิดขึ้น ข่าวจะแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วหมู่บ้านและขยายไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงอย่างรวดเร็วนะับเป็นเรื่องที่น่าอับอายอย่างยิ่งใช่ไหมคะหญิงสาวที่ถูกชายผิดพีแล้วไม่เอาเป็นเมีย น, นี้จะถูกนินทาว่าร้ายบอกว่าเป็นผู้หญิงใจง่ายบ้างละโมราบ้างละกากีบ้างละอืมเยอะไปแล้วก็จะไม่มีชายคนไหนมาเยี่ยมเยือนอีกเลยค่ะบางคนนี่จะถูกหนุ่มหลอกผิดพีหลายครั้งจนอับอายต้องย้ายไปอยู่ถิ่นอื่นเลยก็มีนะคะ ฝ่ายชายก็จะไปแอวสาวเรือนไหนก็ไม่มีใครต้อนรับแล้วก็ไม่มีใครต้องการพูดคุยด้วยการเสียผีหรือใส่ผีนี้จะต้องจัดขันดอกไม้ทูบเทียนหัวหมูต้มสุราขนมเข้าต้มมัดนะคะแล้วก็อาจจะมีไก่ต้มอีก4ตัว ก็ตามที่ฝ่ายหญิงจะบอกนะคะมีขันหมากใส่หมาก1หัวพลู1มัดหมาก1หัวจะมี1ิบไหมแต่ละไหมจะมี36มสิคำพลู1มัดจะมี5แหลบแต่ละแลบก็จะมี20บใบรวมเป็น100ยใบค่ะแล้วก็จะมีเงินค่าผีอีกจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มีกำหนดตายตัวแต่ว่าขึ้นอยู่กับฐานะของผีในตระกูลนั้น โอ้ถ้าเจอผีด้วยเข้าไปฝ่ายชายถือว่าจนกันเลยทีเดียวอาจจะเป็น6 12 24หรือ100หรือเป็นพันก็ได้ไปขอขมาและสังเวยเลี้ยงผีที่หอผีหรือหิ้งผีที่ติดไว้กับเสาเบื้องหัวนอนของเรือนฝ่ายหญิงเมื่อบอกกล่าวแล้วก็วางเครื่องสังเวยแก่ผีไว้เป็นเวลาสมควรแล้วก็นำอสุราแล้วก็อาหารนั้นไปปูเสือเลี้ยงดูกันได้นะคะในกรณีที่ใส่เอาก็คือเสียผีแล้ว มีเจตนาอยู่ร่วมครองเรือนกันอย่างจริงจังนั้นเมื่อเสียผีเสร็จแล้วผู้ชายก็มีสิทธิ์เช่นเดียวกันกับสมาชิกในครัวเรือนของผู้หญิงนั้นและเมื่อเสียผีเสร็จแล้วก็จะมีพิธีการต่วยผีเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยก็คือฝ่ายหญิงเนี่ยเขาจะนำดอกไม้ทูกเทียนไปบอกกล่าวให้กับผีทางฝ่ายชายทราบบอกว่าบัดนี้ทางฝ่ายหญิงได้มาร่วมเป็นสมาชิกในวงเดียวกับฝ่ายชาย ประมาณนั้นนะคะขอบคุณสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือและข้อมูลประเพณีล้านานาโดยสำนักขอสมุดมหาวิทยายลัยเชียงใหม่ด้วยนะคะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วล่ะคะ่ะติดตามฟังในตอนต่อไปมาดูกันนะคะว่าบีจะนำเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ